ก่ อ, อนนีปลาทุกคนก็เตรียมท่าเข่าที่นั่งภาวนาสงบจิตใจไว้ภายในการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ตั้งใจรักษาใจคุมของใจ <c oughs> อันดับแรกท่านว่า ให้ตั้งอยู่ในสีและสังวรคือเพียรพยายามรักษาการกระทำทางกายการทู่พูดทางวาจาการระวังในด้านการกระทำทางกายวาจาอย่างนี้ไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้เป็นไปในทางทุจริต ยิงเรียกว่ารักษาศีลคือรักษาปกติของกายวาจาคาว่ากายในที่นี้มันหมายถึงรูปร่างกายจะหมายถึงการกระทําทางกายการเคลื่อนไหวทางกาย <c oughs> <c oughs> แต่ม่ได้หมายถึงเพียงอริยบทอริยบทยืนเดินนั่งนอน กินดื่มนั้นเป็นอันนี้มันเป็นไอ้บทธรรมดาของพวกเราที่ได้เคลื่อนไหวไปมาอย่างนั้นอยู่แล้วจะมีเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ทำของมันอยู่ดียืนเดินนั่งนอนกินดืม่ม <c oughs> การรักษาทางกายท่านหมายถึง การกระทาที่เจติญใจเจตนารมคือระวังในการกระทาทุกชนิดที่แสดงออกไปไม่ให้เป็นไปและก็ไม่ให้การพูดคือทางวาจาไม่ให้เป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น อใ น, นจุดมุ่งหมายใหญ่แต่เมื่อเอาเข้าในศีลก็คือในหลักวจีทุจริตศีนเองคือไม่พูดความคำไม่จริงไม่พูดคำสอดสียดคือเล่าขวัญ น, นินทายุยงส่งเสริมให้คนแตกราวสามคีกันหรือเอาเรื่องราวอื่นๆของคนอื่นมาพูดมาคุย นินทาวา่าไายป้ายสีคนอื่นเขาว่าจาชนิดโดยมากมันก็จะมีเมื่อนั่งรวมกันแล้วก็ใหม่ไล่เ่าเล่าเรื่องคนอื่นเขานั่นแหละพูดเรื่องคนคนอื่นเขานั่นแหละวาจาชนิดนั้นท่านบอกว่าวาจาสอเสียดวาจาที่เป็นเหตุให้คนอื่นเขาลักเขาชังกันวาจาอย่างนั้นท่านไม่ให้พูดมันเป็นภัย มันเป็นเวนนักกวาจาหยาบคายมาจาด่าคนอื่นประนามคนอื่นนักกวาจาที่ไม่มีสถานีมาจาหล่อแหลกเหลวไหลจะพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยบางคนพอนั่งเข้าแล้วท่านะใส่แฉบแป๊บแป๊แปแ ป, แ ป, แ ป, แปไม่รู้ว่าขึ้นอะไรลงอะไรก็ไม่รู้เลยมีอะไรขึ้นมืนก็ใสไ่ไปมันอยู่กับที่พูดนั่นแหละ มขาเรียกว่าคนเคยเจอเคยเจอเหลวไหลพระุทธิเจ้าทรงสอนให้เราหวังแต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทําไม่ให้พูดให้ทําให้พูดในสิ่งที่มันไม่ผิดจากการกระทําทางกายซึ่งมันเป็นกายทุจริตนั้น และการพูดทางวาจาก็แม้มันเป็นทุกข์เตนั้นก็พูดได้ทุกเฉลตถ้าผู้ใดมีเจตนาจงใจที่สังวรจะสังวรระวังล่ะมันก็ระวังได้แต่คนไม่ระวังแล้วมันก็ไปตามนิสัยใจคอที่มีที่เป็นนั้นๆการระวังทางกายวาจารักษาศีลเนียกว่าศีละสังวร แล้วท่านก็นยังเอาข้าไปข้างในอีกเรียกว่าอินทร์สังวรคือระวังตาหูจมูกเรีนกายอันนี้ท่านใช้คำว่าระวังตาหูจมูกเรีนกายแต่ความจริงนะคือให้รักษาใจไม่ให้มันยินดีไม่ให้มันยินร้ายในขณะที่เห็นลูกที่ชังที่รักในขณะที่ ฟังเสียงที่ชอบใจแล้วไม่ชอบใจในขณะที่รู้สึกกินที่ชอบใจและไม่ชอบใจในขณะที่รักก บ, บ, บรสของอาหารที่ดีแล้วไม่ดีขณะที่ร่างกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างใดๆก็ไม่ให้ใจของเรานะไปยินดียินร้ายให้ระวังใจหนึ่ง ไม่ให้ยินดียินร้ายคราวนี้การพูดเนี่ยมันพูดได้ง่ายพูดว่าไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายเราจะไม่ยินดีจะไม่ยินร้ายหรือจะประฏิญาณตนว่าตอนนี้ไปครับแม่เจ้าก็จะไม่ยินดีจะไม่ยินร้ายว่าเงินเอาเข้าจริงๆขอทบพับเล่นงานทันทีมันไม่ยอมว่าเลยว่อันยินดีรายนั้น ที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของเรานะ่ะมันยังไม่เป็นตัวเองอยู่ในอำนาจของความโลภโกรธหลงคือเป็นคนรับใช้เป็นผู้รับใช้เป็นทาสของเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้น มันก็เลยไปตามอำนาจสิ่งนั้นนั่นแหโมหะเข้าโมหะนะเข้าปิดบังไว้ทำพูดไปตามสิ่งนั้นนั้นนึกว่าถูกอะแต่ความจริงมันผิดมองเห็นไปข้างนอกในสิ่งที่ตัวเองทำแล่พูดนึกว่าถูกต้องความจริงมันผิดไปดังที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังแล้วว่า เหมือนกับตาของเราที่เอาแว่นตาดํำเข้าใส่ว่ะ <c oughs> เมื่าแว่นตาดําเข้ามาใส่แล้วมองไปข้างนอกมันก็ดำํำเรามองเห็นมันก็ดําเห็นตามเป็นจริงมันก็เป็นดำดำอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่ า, าแว่นตา ม, มันดํำนี่ก็นึกว่ามันจริงอยก็ทําไปตามที่มองเห็นมันก็เลยผิดเพราะว่าข้างนอกมันไม่ดําอย่างนั้น พอสายแว่นตาเป็นเครื่องหมายบังตาไอ้ใจของเราก็เหมือนกันแว่นตาดำของมันก็คือความโลภความโกรธความหลงซึ่งมันเป็นเชื้ออยู่ข้างในนั่นแหละมันบังตาพวกเราไว้ไม่เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งภายนอกที่มีที่เป็นนั่นเราก็มองเห็นตามแว่นตาดำของเราที่มอง น, นึกว่าถูก ความจริงนะมันผิด <c oughs> พระเอ็ดนี้เองที่พระ เ, เจ้าสอนพวกเรานะ่ะฝึกหัดที่จะปลดแว่นตาดําออกจากใจสักทีปลดมันลงสักทีมองข้างนอกมันจะได้เห็นสว่าเห็นต่างความเป็นจริงของมันของโลกโลกซึ่งมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของใคร ทังขานทั้งหลายมันไม่เช่สวยมันไม่เช่งามสวยงามงามทั้งหลายนะมันเป็นสมมุติของโลกเป็นของคนที่ใส่แว่นตาดําทําไวแต่ว่าสวยว่างามเอามองไว้ข้างนอกเอพอกไว้ข้างนอกปิดทองไว้ข้างนอกแต่ว่าข้างในมันโสมมเราก็เลยมองเห็นไปตามเขาอย่างนั้น วิธีการที่จะปลดแว่นตาดําออกเราก็ต้องรู้จักตัวเราซะก่อนว่าไอเราเนี่ยมันใส่แว่นตาดําแล้วก็ปลดมันออกเสียถ้าเรายังไม่รู้จ่อจากตัวเองอ่ะว่าเราเนี่ยมันใส่แว่นตาดำแห่ะก็ยังไม่ปลดอยู่ละเพราะว่าลุกไม่รู้จักนไงว่ามันมีอยู่นี่การที่จะ รู้จักว่ามีอยู่นี่หรือไม่นะั่นเราก็มองดูตัวเองเหมือนกับหน้าของเรานะมีขี้มินหม้อหรือของดำทั้งหลายมันติดอยู่ที่หน้าคนอื่นเขาทักท้วงว่าเออหน้ามันเป็นขาเมามันดำมันมอมเราก็ยังไม่เห็นคนอื่นเข้าว่า แต่เราต้องการจะเห็นเราก็เอากระจกเงาเข้ามาส่องดูหน้าดัดูหน้าที่กระจกมันก็สะท้อนมาให้เราเห็นอ๋อของดำมันติดอยู่ตรงนี้ล่ะเราก็รู้สึกและอายตัวเองทันทีพอเห็นเท่านั้นแหละเป็นการสะท้อนให้เราเห็นธรรมะคำสอนของพระเาจาก็เป็นโอปัญก็ ท่านได้ย้อนเข้ามาดูตัวเองก่อนคือมาดูกายดูใจหรือดูการกระทำทางกายพูดทางวาจาและคิดทางใจของเรานี่ดูตัวเราเนี่ยให้มันเห็นเหมือนกับเราเรามองดูคนอื่นเราเห็นน่ะตาเราก็ดูหูเราก็ฟังเห็นคนอื่น คนอื่นมันดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้การประพฤติเรียบร้อยไม่เรียบร้อยสามารถอย่างนั้นไม่สามารถอย่างนี้เรารู้คนอื่นได้เรียบร้อยแต่ว่าตัวของเราเองนะชักจะอ่านไม่ออกอ่านไม่เห็นอ่านไม่รู้เมื่อไม่รู้ตัวเองแล้วก็ต้องอ า, อาศัยคนอื่นเขาเขาช่วยดูให้เราเป็นยังไง ถามคนอื่นเขาอ่ะคนอื่นเขาก็พยายามด้วยความเก่งใจหรือไม่ใชนก็ไปหาหมอดูหมอเดาไ อ, หอ้หมอดูหมอเดามันก็เป็นหมอที่หาเงินคนไหนกระเป๋าตงุตงๆหน่อยมันก็ถ่ายเอาเสยหยอดยอด้อยยกย่องยดย อ, ดย อ, ดยอดป่อปัอน้นเอาเสียคนก็ให้เงินไปมากหลวงอาจารย์นี่ถ่ายแน่ดวงไปอย่างนั้นดาวไปนีน่อาศัยคนอื่นเขากโกหก ดูดูเราก็ลเลยไม่จริงอีกแหละโกหกเราเนะลยเราก็เลยหลงนึกว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพยากรณ์อย่างนั้น <c oughs> เราไม่ฝึกหัดเป็นหมอดูกูตัวเองเนะี่ยเขาพระเจ้าสอนให้เราเป็นหมอดูกูตัวเองดูรูปร่างกายนี่ดูวาจานี้ดูใจนี่ดูกายการกระทําทางกาย พูดทางวาจาและคิดทางใจอีกอันนี้เป็นการพูดการกล่าวแต่ควรที่จะดูอย่างนั้นอย่างนี้ทีที่ว่าเนี่ยก็เป็นการกล่าวการพูดเหมือนกันแหละแต่ทีนี้ถ้าจะดูจริงๆเนี่ยก็เข้าในหลักภาวนาใหม่ของพวกเรานี่แหละอีกพวกเรากําลังฝึกกําลังหัดกําลังปฏิบัติกําลังทํากันอนี่หนแหละ เป็นการมาดูตัวเองเพื่อจะปลดแว่นตาดําออกจากตาเสียทีออกจากตาใจไม่ใช่ตาหนังไม่ใช่ตาเนือ้อการที่จะข้ามาตัวเองก็งจําเป็นต้องมาตั้งจุดแรกที่เรียกว่าสติคือตั้งไว้เพื่อให้รู้ตัวเองผูกไว้มัดไว้เอาใจของเรามาผูกไว้มัดไว้ใจก็คือความรู้สึกนั่นเอง เอาความรู้สึกมาผูกไว้มัดไว้รักษาไว้ไม่ให้เผลออันดับแรกต้องทําอย่างนั้นก่อนที่ตั้งให้ตั้งไว้ในกรรมาฐานกําหนดลมหายใจพูดเข่าทอพูดเข่าทอพูดเข่าทอพูดเขา่อเขา อ, อย่าให้เผลออย่างนั้นน่เรียกว่ารักษาใจไว้คือรักษาความรู้สึกนั้นไว้ไม่ให้เผลอ ครั้งแรกมันก็อาจจะเผลอเผลอก็ช่างมันให้มันได้มากกว่ากว่าไม่เผลอเมื่อกําหนดมากเข้ามากเขาชานาญเข้าชานาญเขามันก็อยู่ของมันเองขอแต่ทาสม่ําเสมอก็แล้วกันใจมันก็อยู่กับนั่นก่อนครั้งแรกก็เรียกว่าผูกดูมัดอยู่ติดอยู่ข้องอยู่เกาะอยู่เกาะอยู่กับกรรมฐานนั่นแหละเกาะอยู่ทําไมอ่ะ ให้ใจเกาะอยู่เพื่อจะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองก่อนรู้จักใจนั้นก่อนถ้ายังไม่รู้จักตัวเองล่ะมันก็ไม่เห็นแว่นตาดำดังที่ว่าแล้วเ้าแว่นตาดำมันติดอยู่ที่ตาใจมันไม่ได้ติดอยู่ที่รูปร่างกายมันติดอยู่ที่ตาใจจำเป็นจะต้องเห็นใจรู้จักใจตัวเอง พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดไม่ให้ถือเพราะว่าการยึดการถือนั้นพุทธเจ้าใช้คับกาุ ป, ปาทานยึดไว้ถือไว้แต่ก่อนที่จะปล่อยจะวางความยึดถือนั้นต้องยึดต้องถือซะก่อน แล้วจึงค่อยวางเมื่อก่อนนั้นมันยึดมันถือเราไม่รู้สึกตัวเองว่ามันยึดมันถืออย่างใดเราก็จะเมนต้องมายึดมาถือด้วยความตั้งใจเสียก่อนมันจึงจะรู้สึกตัวเองเราเอาใจของเรามายึดมาถือลมหายใจคอเอามายึดมาถือพุทโธธรรมสังโฆ เรายึดไว้เราถือไว้กําหนดลมหายใจเข้าออกไว้มายึดมาถืออย่างนี้มันจะรู้สึกเป็นไงก็รู้สึกว่าไม่สบายเลยสิมีการบังคับจิตให้ผูกให้มัดให้ติดอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์ทำอย่างนี้มันเป็นทุกข์ทำไมพุทธิยาสอนให้ทําที่สอนให้ทํานี่ก็เพราะว่า ต้องการให้คนรู้จักทุกนั่นเองอะถ้าไม่เจอทุกซะก่อนมันไม่รู้จักอ่ะคนไม่เคยปวดหัวไม่รู้ลดของความปวดหัวคนไม่เคยเจ็บฟันไม่รู้ก็ลดว่าเจ็บฟันนั้นเป็นยังไงคนไม่เคยเป็นโครคภัยไข้เจ็บกินอะไรต่างๆขึ้นมาไม่รู้สึกว่ามันมันทุกข์ยากลําบากไง คนไม่เคยเป็นไข้หวัดใหญ่มันรู้จักว่ามันอ่อนมันเพรียขนาดไหนแต่คนเคยเป็นแล้วบอกว่าแอะใหญ่เหลือเกินเป็นโรคอันนี้มันเพรียมันอ่อนเหลือเกินนะก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์เพราะประชิญสิ่งนั้นๆเนี่ยต้องประชิญทุกอย่างต้องเจอแต่ว่าการภาวานานี่เป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดที่ใจท่านเดียวกวับเผาเผาเากล็ด เขาเอามันก่อนถ้าพระ เ, เจ้านำมาเปรียบเทียดไนปะเรื่องการดัดใจของตัวเองนั่นนะเหมือนกับเขานำไม้ลูกหน้าไม้มาเอาไม้มานะไม้มันคตมันงอเขามาผ่าเป็นซิกๆๆ ก, กัเหลาเหลาซะก่อนพอเหลาดีแล้วนะ เขาจะดัดให้ตรงนี่เนาะก็ต้องลนไฟซะก่อนดัดมันจะเกียวยู่ถ้าไม่ลนไฟถึงแม้ดัดมันก็จะหักเอาต้องลนไฟให้ดีซะก่อนแล้วก็ดัดขนาดที่ดัดนะั้นก็ต้องหลับไว้สะตาหนึ่งเอาตาหนึ่งเล็งเพื่อให้มันตรงดัดเข้าไปอันนี้เฉพาะลูกหน้า ไม้มันน้อยที่ในไม้อย่างอื่นที่เขาดาดมันใหญ่เขาก็ลนไฟมันกันดาดที่งามไม้เดึงงงไป ง, งงมาหรือทำเป็นงามไม้ถึงดาดเพื่อให้มันตรงหรือเพื่อให้มันคตตามต้องการใจกระ น, นี้กับมันกันลนด้วยความเพียนเขา ไว้ที่พูดโธธโมสังโฆบังคับใจไว้ที่กำที่ลมหายใจของอย่าไปกลัวอย่ากลัวร้อนนั่นแหะคือการเผาบังคนมากําหนดลมหายใจของเรากลัวใช่ะใครแต่หนีเพอภาวนาเพราะก็จะเอาสุขทันทีเอาเอาทุกข์ซะก่อนเผาให้มันร้อนซะก่อนแล้วมันจึงจะเด็นพอเผาร้อนเดือดเสร็จสรรแล้วจึงจะดัดทีนี้ดัดข้อที่ง่ามไม่ คือสมาธาิคือทำใจให้มันสงบจะดัดเมื่อดัดเรียบร้อยดีแล้วก็กลลนไฟดีแล้วก็ทาด้วยน้ำมันที่นึงเสริมเสให้มันเรียบร้อยไอเราเนี่ก็เหมือนการดัดใจเอาใจไว้ที่ง่ามไม้เผาด้วยความเพีย รักษาไว้ผูกไว้มัดไว้ที่กรรมาฐานของเราเป็นแม่บทก่อนีนี้เมื่อเรากําหนดไปกําหนดไปครั้งแรกมันจะสบายไม่สบายแล้วก็รักษาใจของเราให้รู้นานเข้านานเข้าไอ้ความรู้สึกอันนั้นที่มันเป็นทุกข์และเป็นสุขทั้งมดก็จะปรากฏขึ้นก็จะรู้สึกตัวเองว่าเออมันเป็นทุกข์ขายทุกข์ขายสุข รวมแล้วแล้วแบบเมื่อเราทำนานเข้านานเข้ามันก็จะกลายเข้าถึงตัวเองทันทีรู้จักใจขึ้นมาทันทีขอทำคนหนึ่งรู้จักใจสามารถปล่อยวางกรรมฐ า, านนั้นรู้ใจตัวเองได้เลยทีนี้กำหนดรู้ใจได้แล้วกรรมฐ า, านทศโคธรร ม, มสังโคลมอนาปานาเปิลไม่ต้องทีนี้มันก็จะรู้ใจใจมันก็จะเข้าที่ตั้งที่มัน่นที่อยู่ของมัน พูดอย่างหนึ่งเท่ากับใจตกลงสู่ภวัง <c oughs> ใจก็ตามเดินจิตก็ตามอันเดียวกันนั่นละตกลงสู่ภวังถือเข้าสู่ความสงบตกลงสู่ภวังนั้นใจจะสามารถวางลมหายใจของแลวางความรู้สึกกายนี้ได้ รู้สึกรู้อยู่เฉพาะใจเท่านั้นอันนั้นที่ว่าจิตมันตกุ่งผวาหวังแล้วแล้วท่านไวยกันนะ่ะผวังข้าจิตพวาวังข้าจิตนั่นหมายถึงจิตเดิมจิตเดิมของคนนะ่ะมันอยู่ข้างในนะเหมือนกับว่งมีเปลือก ห, อห่อหุ้มคือโลภโทสะโมหนะมนห่ะมันห่อมันหุ้มไว้ข้างนอก ตัวจิตเดิมดวงรู้เดิมมันอยู่ข้างในบางครัง้งไอ้โลภะโทสะ ม, มันตกลงไปใจก็ผ่องใสขึ้นมามีศรัทธาฉันทะมีเมตตาอาริขขึ้นมาเดียวกับว่าเป็นช่องขึ้นมาใครเห็นต่อไปก็มันก็กบเขาอีกมันไปนอยู่อย่างนั้น เมื่อใดใจนั้นนะ่ะยังไม่ตกลงสู่ผวางเดิมคือเวลามันเข้ามันก็เข้าเหมือนกันเข้าสู่ผวางเดิมมันคือขณะนอนหลับมันเข้าไปแล้นอนหลับเข้าสู่ผวางเดิมมันจะวางทั้งหมดเลยวางความรู้สึกทางตาหูจมูกลิน้นกายแค่รู้ใจจะพอใจน่ะจึ ง, จ ง, จงว่านอนหลับมันก็ปลดภาระในการยึดถือ ทางตาหูจมูกรีนกายพอตื่นขึ้นมาเราเราก็รู้สึกว่ากระปีกป้กระเป๋าล่างกายพอร่างกายทุกส่วนมาได้พักผ่อนแล้วใจมันไม่ได้ใช้งานในขณะที่หลับแต่หลับนั้นน่ะสติมันไม่เข้าไปด้วยมันไม่เป็นจิตตกตกผวังแต่เป็นผวังขโมหะคือเข้าไปที่ที่นอนเหมือนกับ เราเข้าไปนอนในที่ห้องนอนที่มันมืดเหมืนเข้าไปในที่ถ้ำไม่มีไฟไม่มีแสงสว่างอะไรเลยเข้าไปกไปถึงที่รู้จักตัวที่นอนก็ไปนอนก็ไม่สามารถมองเห็นว่าที่นอนรอบๆมันมีอะไรบ้างไม่เห็นแม้ตัวเองก็ไม่มองเห็นตัวเองเลยนี่นก็เลยมืด กีถ้าผู้ฝึกสติด้วยการภาวนาเนี่ยเข้าไปจิตก็จะตกลงเข้าสู่ผวังอีกครั้งแต่ว่าตกลงสู่ผวังครั้นี้นะตกลงในขานะที่ว่าเอาแสงสว่างเข้าไปในห้องนอนด้วยตัวเองก็เข้าไปห้องนอนแสงสว่างเข้าไปด้วยสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมฝาผนังข้างที่นอนหัวนอนปลายนอนตีนนอนข้างที่นอนข้างซ้ายข้างขวามีอะไรบ้าง พื้นเตียนที่นอนน่เมีอะไรบ้างมองเห็นหมดตลอดถึงสามารถมองเห็นตัวเองด้วยใจตกลงสูผะวังก็เช่นเดียวกันรู้จักตัวเองรู้จักใจเป็นอิสระแก่ตัวเองและใจชนิดนั้นละ่ะเป็นใจที่จะสลัดออกจากกองทุกข์ทั้งพวงได้ แต่ไม่เข้าถึงขนาดนั้นและมันก็ไม่ได้แต่ทางนี้ก็ไม่ใช่ยากนะก็ไม่ใช่ง่ายสำหรับคนทำไม่ทำสม่าเสมอต้องทำสม่าเสมอก็เริ่มต้นมาตั้งแต่การกำหนดพุดโทโธทำโมสังโ์อหรือกำหนดลมหายใจขอเข้ามานั้นตามลำดับนั่นแหละประการสุดท้ายก็มากำหนดรู้ใจที แล้วก็ไม่เอาละทีเนี่ยลมลมก็ไม่เอาแล้วเพอาเราใช้มาเต็มที่ก็กำหนดรู้ใจเสีอย่างเดียวประคองเข้ามาในจุดรู้ดวงรู้ในจุดรู้อันนั้นให้มีที่ตั้งที่หมายมีสติเป็นเครื่องอยู่นั้นก่อนนะบางคนก็ใจก็ลงไปสู่ความสงบได้เลยเรียกว่าเข้าไปในห้องโดยแสงสว่างได้เลยแล้วก็ออกมาบางคนเป็นอย่างนั้น ไม่ได้อาประโยชน์อะไรในขณะที่เข้าไปนั้นคนที่กิจจรลงสู่พวังทีเดียวมีน้อยฉะนั้นท่านจึงมีวิธีการอันหนึ่งคือสาให้ตัวเองสามารถกำหนดรู้ใจได้เป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็มาพิณาดูใจพิณาดูกาย พี่นายอภินายในหลักของนิจังทุกขนานัตตาหลังที่ตมาเคยให้อุบายวิธีมาแล้วคือเรากําหนดลมหายใจพูดธข่าวทอกหรือว่าพุทธโทธโมสังโฆพอเรียบร้อยแล้วก็หยุดตั้งใจรักษาใจแห่นิ่งอยู่ในจุดเอาทรงองค์นี้เป็นที่หมายดึงเข้ามาหมายรู้ไว้ตรงจุดนี้แล้วเราก็กําหนดรู้ใจทันทีก <c oughs> ำหนดรู้ใจก็คือบอกตัวอย่างนี่ละใจ ใจก็คือดวงรู้หรือผู้รู้อันนี้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างที่นาดูใจให้รู้จักใจตัวเองอันนี้ละใจและดูอันไหนเป็นเวทนาสัญญาสังขารมียนให้รู้ตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็วางไว้ทีนี้วางไว้สิ่งนั้นไม่ใช่ใจเป็นเครื่องประกอบใจเท่านั้นเรียกว่าทมอารมณ์คืออา ร, รมณ์ที่มันมีอยู่ที่ใจ ใจก็คือดวงรู้หรือผู้รู้สุขไม่ใช่ใจใจไปรู้สุขทุก็ไม่ใช่ใจใจไปรู้ทุกความคิดความปรุงความแต่งใจเป็นผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดไม่ใช่ใจเป็นอาการของใจหรือเป็นกิยาอาการของใจเท่านั้นยนเราจำเป็นต้องรู้อยู่ที่ใจเนื้อสติรู้อยู่ที่ใจ ประของเข้ามาในจุดเดียวตั้งบอกนอกจากดวงรู้นี่เท่านั้นนะ่ะสิ่งอื่นไม่เที่ยงเท่านั้นเวทนาก็ไม่เถียงสัญญาก็ไม่เถียงสังขารคือความคิดปรุงแต่งก็ไม่เทียงสิ่งเหล่านั้นมันนอกจากดวงรู้แต่มันห่อหุ้มมันประกอบอยู่ที่ดวงรู้นี่แหละท่า น, นี้เราก็อยู่ที่รู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความรู้สึก ความรู้สึกรู้มันมีอยู่ที่ใดเราก็อยู่ที่จุดนั้นก่อนตั้งรู้อยู่ตรงนั้นแล้วกลมาพิจารณาในดวงรู้นั้นอีกครั้งหนึ่งว่าดวงรู้นี่ก็ไม่มีตัวตว น, นก็มีรู้มีแค่รู้เท่านี้เนี่ยอันนี้แหละสิ่งที่มันไม่ตายเนี่ยนอกจากนี้แก่ตายทั้งนั้นก็นิ่งรู้อยู่พอนิ่งรู้อยู่เอาฝึกขัดพิจารณาร่างกายกําหนดรู้ที่กายอีก ทำความรู้สึกที่กายนี้นหะรู้ไว้ที่กายทั้งหมดแต่ไม่ต้องหมายที่ไหนทั้งนั้นหรอกให้รู้อยู่แล้วก็ใช้การพิณาในร่างกายนี้พิณาเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงพิณาเห็นว่ามันเป็นภคยากลำบากอย่างใดพิณาเห็นว่ามันเป็นของโสโครกปฏิกูลใดอย่างใดพิณาเห็นว่ามันไม่ใช่ของใครเรายืนเข้ามาใช้อะไรต่างๆตลอดทั้งคนอื่นด้วยก็เหมือนกันหมด รวมแล้วก็เข้าสู่ความแตกดับด่าลายไปทางนั้นไม่มีอะไรเหลือมนุษย์ทั้งหลายจะวิเศษทางะขนาดไหนสูงทรงขนาดไหนก็แก่ตายกันไปหมดบุธถือว่านั่นของเรานี่ของเราก็เพียงเราสมมติบัญญัติที่ถือไว้เท่านั้นใจนี้เอาอะไรไม่ได้เลยแม่ใจของเราที่อยู่อาศัยกยันก็เพียงที่อยู่อาศัยก็จึงเอาอะไรไม่ได้ กายแก่แตกดับแก่เจ็บตายใจไม่แก่ตายแร้วพุเตจารสอนให้เอาอันนี้สอนให้เอาผู้ น, นี้ให้หลดพ้นหลดพ้นยังไงหลดพนด้นโดยไม่ถือไม่ยึดไม่ไปอยู่กับสิ่งนั้นในขณะที่ร่างกายยังทรงอยู่ยังเป็นไปอยู่นั่งอาศัยมันอยู่ที่นี่เปรียบเหมือนน้ําที่อยู่บนใบบัวน้ําอยู่บนใบบัวนมันก็เพียงว่ายองอยู่ที่ใบบัวนั่น ไม่ซึมเข้าไปงานทุกคนก็ควรที่จะใช้การพินิพีนาดังที่ว่ามาคือทำใจสงบระงับตั้งมั่นสมาธิและพินาภายในคือพินาใจและพินานามธรรมและรูปดังกา่าวผลสุดท้ายก็สงบโลอยู่โลอยู่ได้แล้วทเมื่อทำอย่างนี้สม่าเสมอ แ, แล้วนะทางที่จะให้เกิดผลคื อ, อยาณทัศน